เรื่องที่19ข้อคิดเรื่องพระพุทธเจ้ากับการมนุษยสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์หรือ human relation ของชาวชมพูทธวีปยุค ก, ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ในสภาพเสื่อมโทมมากเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตใจได้บรรดาความเสื่อมโทรมเหล่านั้นมีอาที่เช่น 1. การแบ่งชั้นวรรณะและการดูถูกเหยียดหยามกัน คือสมัยนั้นคนชาวชมพูทวีปได้รับการอบรมจากลัทธิพราหมณ์ให้มีการแบ่งคนออกเป็นสี่วันนะคือวันน้พราหมณ์วันนักษัตย์วันนัแพทย์และวันนะกสูตรที่เรียงนี้เรียงตามลำดับจากวันน่าสูงลงมาหาวันน่าต่ำตามความเชื่อถือของคนสมัยนั้นเมื่อแบ่งคนเป็นสี่วันนะแล้วก็มีข้อบัญญัติว่า หามีให้มีการสมสู่ ร, ระหว่างคนต่างวันนะกันหากผู้ใดฝ่าฝืนก็ถือว่าบาปและลูกที่เกิดมาจากการผสมผิดวันนั้น<ๆ>ก็จะกลายเป็นคนอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าคนจันทานโดยปกติคนวันนาสูงก็ดูหมิ่นคนวันนต่ำอยู่แล้วยิ่งคนจันทานก็ยิ่งถูกรังเกียจเยยดยามร้าแรงเข้าไปอีกค่าของคนจันทานนั้นดูเหมือนจะน้อยกว่าปัสสั์เสียด้วยซ้า เราจะนึกดูง่ายๆว่าวัวควายช้างม้าหมูหมาเป็ดไก่ยังคลุกคลีอยู่กับพวกคนวันน้าสูงได้แต่คนพวกนั้นกลับรังเกยียจคนฉันทานไม่ร่วมกินไม่ร่วมนอนอย่าว่าแต่จะถูกต้องตัวกันเลยแม้แต่เงาตัวไปถูกเงาคนฉันทานก็ไม่ได้ว่ากันว่าบาปหนาคนวันนะพรา์เดินหลงทางอยู่ในป่า ไปเจอคนจันทานเข้าก็ไม่ยอมถามทางยอมหลงทางต่อไปดีกว่ารายยิ่งกว่านั้นหากท่านผู้มีวันณะสูงบังเอิญเหลือบสายตาไปเห็นคนอย่างว่านี้เข้าเขาก็ถือว่าในตามีเสนียดต้องไปขอให้พราหมณ์ทําพิธีล้างตาให้และให้เอาคนจันทานนั้นไปลงโทษเสียด้วยเพราะมันมีความผิดที่ซ่อนตัวไม่ดีบางอาจมาทําให้ท่านเห็น ก็ความสุขสนของตัวเรามันห้ามกันไว้ง่ายๆเมื่อไรคนสมัยก่อนก็เหมือนคนสมัยนี้แหละเพราะฉะนั้นยิ่งนานวันเข้าคนจันทานก็ยิ่งมากขึ้นและผลที่สุดก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครทางที่ปลอดภัยจากบาปกรรมที่สุดก็คือต่างคนต่างคิดรังเกียจคนอื่นไว้ก่อนเห็นคนแปลกหน้าต้องสันนิฐานไว้ก่อนว่าเขาอาจเป็นคนจันทาน พฤติการอย่างนี้อินเดียยังแก้ไม่หายจนกระทั่งทุกวันนี้เมื่อตอ้นปีนี้เองผมไปอินเดียบ่อยที่ร้านขายน้ําชาแห่งหนึ่งยังสงสัยว่าผมเป็นคนฉันทานเมื่อทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งต า, งตาดูถูกเหยียดหยามคนหนึ่งอย่างนี้จะเกิดผลร้ายอย่างไรท่านทั้งหลายก็คงจะทํานายได้ประเทศที่มีพลเมืองเกือบสี่ร้อยล้านคน ต้องตกเป็นประเทศล้าหลังก็เพราะโรคดูถูกกันนี่แหละพูดถึงเรื่องของเขาแล้วก็อดคิดถึงเราไม่ได้เมืองไทยเรานี้ก็วุดวิดจะรับเชื้อมาจากชมพูทวีบอยู่แล้วตอนที่ขอเรื่องอำนาจเดชบุญว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยไว้ทันเพิ่งจะมีการก่อวอร์ดขึ้นนิดหน่อยเพียงแยกคนเป็นพวกไพร่พวกผู้ดีแล้วก็เลิกกันไป ทุกวันนี้นานๆก็มีการดูหมิ่นเกินบ้างเหมือนกันแต่น้อยเช่นดูหมิ่นคนภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือเรียกเขาว่าแขกว่าลาวและใช้คำพูดทำนองเยียดหยามต่างๆว่าบักเสี่ยวบ้างบักหนานบ้างคนประเภทนี้ต้องคอยระวังอาจเป็นมิญญาณหลงมาจากเขาหิมาลัยตามมารังควานประเทศไทย อันเป็นเมืองพุทธศาสนาก็ได้ที่พูดนี้คือความเสื่อมโทรมและความล่มจมของมนุษยสัมพันธ์ในยุคก่อนพุทธกาลและสองประชาชนชาวชมพูทวีปสมัยนั้นขาดอิสรภาพทางใจเพราะความหลงไหลในเรื่องพรหมลิขิตคือเชื่อว่าชีวิตทุกๆชีวิตตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรหมลิขิต ใครจะยากดีมีจนอย่างไรพระพรหมท่านกำหนดไว้แล้วป่วยการที่ตัวเองจะมาคิดแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นความเชื่อดังกล่าวนี้ทำให้คนขาดความกระเตือรเรือร้อนที่จะสร้างตัวมีแต่การรอคอยโชคลาภจากเบื้องบนแต่โอกาสเดียวกันก็เต็มไปด้วยความหวัสดุ้งเกรงว่าเทพเจ้าจะลงโทษตนพฤติการดังกล่าวนี้ ดูเผินๆก็ไม่น่าจะเสียหายร้าแรงอะไรนักหนาแต่ถ้าดูให้ลึกซึ้งถึงความจริงแล้วจะเห็นว่านี่แหละคือสมุดฐานแห่งความเสื่อมโทรมทางมนุษยสัมพันธ์เพราะทุกคนมิได้ใยดีที่จะสมานกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหันไปประจบกับเทพเจ้าเท่านั้นก็พอสองคมจึงขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างมากมายในขณะที่สภาพมนุษยสัมพันธ์กาลังเสื่อมโทรมอย่างยิ่งนั้น เจ้าชายสิทธัตถะแห่งกบิลพัทก็ได้ทรงพบความสําเร็จในการค้นคว้าหาทางพ้นทุกข์ซึ่งทางศาสนาร้องเรียกความสําเร็จอันนี้ว่าตรัสรู้สิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้ก็คือบรรดาหลักปฏิบัติซึ่งจะช่วยประชาชนให้หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองแต่หลักปฏิบัติเหล่านั้นส่วนมากก็คิดแย้งกับความคิดเห็นดั้งเดิมของประชาชนและเฉพาะอย่างยิ่ง ลักการใ ห, ใหญ่ๆนับว่าตรงกันข้ามเลยทีเดียวอทิเช่นประชาชนเขาเชื่อว่าชีวิตของเขาเป็นไปตามพรหมลิขิตแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าพรหมลิขิตเป็นเรื่องเหลวไหลกรรมต่างหากที่จะทำให้ชีวิตของคนเรามีอันเป็นไปต่างๆประชาชนเขาเชื่อว่าคนเราจะดีหรือเลวก็แล้วแต่สายเลือดหากผู้ใดเกิดจากพราม ผู้นั้นก็จะต้องเป็นผู้ประเสริฐและหากผู้ใดเกิดจากสูตรหรือจันทานคนนั้นก็ย่อมเป็นคนต่ำช้าเลวซามแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าโคตรตระกูลจะเป็นเครื่องป้องกันว่าใครดีใครเลวไม่ได้คนเราจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวก็เพราะกรรมคือการกระทำของเขาประชาชนพากันเชื่อมั่นว่าโดยการอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ และด้วยการอ้อนวอนบวงสวงต่อเทพเจ้าเขาจะต้องกลายเป็นผู้หมดบาปมนทินและจะต้องได้ไปสวรรค์เมื่อตายแล้วแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่านั่นก็เป็นความหลงผิดคนเราเจอบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยการเว้นจากบาปและไปสู่สุคติได้ก็ต้องด้วยการทําใจให้บริสุทธิ์ตามที่ยกมาพอเป็นตัวอย่างท่านจะเห็นได้แล้วว่าอุดมการณ์ส่วนใหญ่ของพระพุทธเจ้า ขัดแย้งกับความเชื่อดั้งเดิมของประชาชนและขัดแย้งเอามากเสียด้วยถึงขนาดจะต้องรื้อโครงกันใหม่เลยทีเดียวแล้วพระองค์จะทรงแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรหากลำพังแต่ทรงเทศนาข้อทําให้เขาฟังล้วนๆไม่ใช้อุบายวิธีอย่างอื่นประกอบด้วยเลยแล้วไม่สำเร็จแน่วิธีดำเนินงานมนุษยสัมพันธ์ของพระพุทธเจ้าผมไม่พบว่ามีท่านผู้ใดรวบรวมไว้เฉพาะเรื่องนี้ แต่เมื่อลองสรุปจากพระพุทธจริยาดูแล้วก็พอจะนำมาเล่าสู่กันฟังได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตระหนักในเหตุสามประการอยู่เสมอและในทุกๆ ก, กรณีที่พระองค์ทรงดำเนินการคือ 1. ่งทรงค้นหาพื้นเพยเดิมของเขา 2. ทรงวิจัยถึงความต้องการของเขาและ 3. ทรงรู้วิธีเข้าถึงจิตใจของเขา ผมสังเกตดูว่าในพระพุทธจริยาทุกเรื่องไม่ได้ทรงละเลยในหลักที่สามนี้เลยดังจะขอยกมาเล่าสู่คนฟังสักแง่หนึ่งคือการค้นหาพื้นเพเดิมของบุคคลพื้นเพเดิมผมหมายถึงสภาพอันแท้จริงของคนงเราเฉพาะอย่างยิ่งของคนที่พระองค์สัมพันธ์กับเขาอาจเป็นเอกชนหรือกลุ่มชนก็ได้ พระองค์ได้ทรงทราบสภาพอันแท้จริงของเขาอย่างถูกต้องก่อนเสมองานมนุษยสัมพันธ์ของพระพุทธเจ้าเริ่มขึ้นตรงนี้ผมอยากจะเรียกว่าตลอดเวลาหปีตั้งแต่พระพุทธองค์ออกทรงผนวดจนได้ตรัสรู้พระองค์ได้ทรงศึกษาสภาพชีวิตที่แท้จริงของประชาชนอย่างพอเพียงและเป็นการศึกษาโดยวิธีทรงเข้าไปรู้ไปเห็นด้วยพระองค์เองจริง พระองค์ทรงใช้ชีวิตอยู่ใต้ร่มไม้เยี่ยงคนยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยพระองค์ทรงเลี้ยงชีพด้วยพิขาจา์เยี่ยงยาจกวันิพกพระองค์ทรงอดพระกรยาหารจนทรงรู้ว่าความหิวที่สุดของคนยากจนเป็นอย่างไรการบำเพ็ญทุกขกระิยาอาจไม่ช่วยให้พระองค์ได้จัดสรู้ก็จริง แต่ก็เป็นผลดีแก่การสั่งสอนประชาชนในภายหลังเป็นอันมากโปรดสังเกตดูว่าไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปโปรดใครที่ไหนพระองค์จะต้องเริ่มด้วยการแสดงพื้นเพของผู้นั้นให้ตัวเขาเองฟังเสียกอ่อนพระองค์ทรงแสดงออกอีกฝ่ายก็ยอมรับว่าจริงว่าถูกต้องจะไม่ถูกอย่างไรในเมื่อพระองค์ทรงรู้เองเห็นมาด้วยพระองค์เอง และเมื่อพระองค์ทรงจี้สภาพเดิมของเขาให้เขาฟังได้ถูกต้องเขาก็งงและเลื่อมใสขึ้นมาเหมือนอย่างเราไปหาหมอถ้าหมอทายอาการป่วยของเราได้ถูกเราก็ชักเลื่อมใสเพราะเราบอกว่ากินข้าวไม่ค่อยได้หมอทายต่อไปว่าท้องผูกใช่ไหมใช่ปวดหลังด้วยใช่ไหมใช่เวียนศรีรษะด้วยใช่ไหยใช่ ถ้าลงอย่างนี้แล้วคนไข้ก็ชักจะเริ่มเห็นหมอเป็นเทวดาอะไรอะไรก็แล้วแต่คุณหมอทั้งสิน้นแต่ถ้าหมอดูอาการไม่เข้าท่าคนไข้ก็นึกทีเดียวว่าถ้าจะไม่ได้ความพระพุทธเจ้าก็ทรงเริ่มชนะใจของคนทั้งหลายด้วยการทรงทายสภาพของเขาได้ถูกต้องนี่เองเรื่องสภาพของมนุษย์เรามีอยู่สามชั้นคือชั้นอวดชั้นอ้าง ชั้นอดชั้นอวดคือการแสดงออกเวลามีงานเช่นแต่งงานบวชนาคขึ้นปีใหม่ตรวจศาสตร์และในงานมหกรรมต่างๆฐานะของคนที่แสดงออกในงานเหล่านี้ถูกพรางไว้ถึงสามชั้นแสนจนก็แ้งทารวยแสนเศร้าก็แซงหัวเราะแสนเคืองก็แ้งยิ้มชั้นอ้าง คือแสดงออกตามมารยาทที่สังคมนิยมคืออ้างว่าสังคมเขานิยมอย่างนี้หรืออ้างตัวเองว่าฐานะของเราชั้นนี้แล้วถึงทำไม่ได้ก็จำใจทำการแสดงออกชั้นนี้ให้ดูในที่ชุมนุมชนต่างๆหรือในที่ที่คนหลายคนไปพบกันเช่นที่โรงพหาสพตลาดสำนักงานของรัฐบาล พูดง่ายๆคือเวลาคนออกจากบ้านฐานะของคนที่แสดงออกในเวลาที่ว่านี้ไม่ใช่ฐานะที่แท้จริงของเขาคือยังมีอะไรพลางอยู่ชั้นอดคือความเป็นอยู่ที่แท้จริงของเขาเองต้องดูในบ้านดูในครัวดูไว้ถึงกระสอบาทานถางข้าวสารโถกะปิไหปลาระดูซิว่าใครจนเท่าไหร่ ใครเจ็บกี่มากน้อยใครมีความปวดร้าวเท่าไหร่นี่คือพื้นเพเดิมของมนุษย์การศึกษาค้นคว้าหาพื้นเพหรือสภาพที่แท้จริงของมนุษย์จากแผ่นกระดาษหรือจากห้องสมุดยากนักที่จะได้รู้เห็นของจริงข้างนอกเราพลางกันทั้งนั้นกว่าจะถึงที่ทำการแหนมเพอเขาเตรียมพลางตัวอยู่วันหนึ่ง กว่าจะไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยิ่งต้องเตรียมพรางตัวอยู่สองสามวันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีวิธีใดดีเท่านำตัวเราเข้าไปดูให้รู้เห็นด้วยตัวเองคนที่ไม่เคยหิวเลยจะไม่รู้หรอกว่าความหิวเป็นทุกอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีเข้าไปรู้เห็นสภาพของชุมชนและสภาพชีวิตของแต่ละบุคคลด้วยพระองค์เองมากที่สุด Oh, oh, oh.